ในจตุปริสุทธิสินซึ่งอยู่ในธรรมะประเภทกลุ่มที่สามเนี่ยนะเมื่อกล่าวถึงการศึกษาการเรียนรู้การปฏิบัติตามลำดับเนี่ยน ะ, ะการประพฤติปฏิบัติตามลำดับที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงกับคณกะโมคคลานะพรามที่พระ อ, องค์ตรัสว่าดูก่อนพราม เราอาจบัญญัติการศึกษาโดยลำดับการกระทาโดยลำดับการปฏิบัติโดยลำดับในธรรมวินัยนี้ได้เปรียบเหมือนคนฝึกม้าผู้ฉลาดได้ม้าอาชาในตัวงามแล้วก็เริ่มต้นทีเดียวให้ทําสิ่งที่ควรให้ทําในบางเฮียนต่อไปจึงให้ทําในสิ่งที่ควรให้ทํายิ่งขึ้นไปชั้นใดดูก่อนพรามฉะนั้นเหมือนกันแล ตถาคตได้บุรุษที่ควรฝึกแล้วเริ่มต้นนะต้องเป็นบุรุษที่ควรฝึกน ะ, ะในบุรุษที่ควรฝึกนี้องคุณของบุรุษผู้ควรฝึกเหนะหรือองคุณของพิสูจนผู้ควรประกอบความเพียรอย่างที่หนึ่งเขามีตถาคตโพธิสัพาอย่างมั่นคงนะข้อที่สองเป็นคนสุขภาพดีนะข้อสาม เป็นคนไม่อ้อวดไม่มีมารยาข้อ4เป็นผู้มีความเพียรเนี่ยนะเพื่อให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงข้อ5มีปัญญาฉะนั้นถ้าหากว่าได้บุรุษผู้มีคุณสมบัติในลักษณะนี้มาแล้วพระผู้มีพระภาคก็จะแนะนำอย่างนี้ว่าดูก่อนภิกษุมาเถิดจงเธอจงเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยปาเตมโมขาสังวร เนี่ยนะพระ อ, องค์ก็จะแนะนำเรื่องปาติโมฆขสังวรเพราะว่าเขามีศรัทธานในพระ อ, องค์อย่างบริบูรณ์แล้วพระ อ, องค์ก็จะแนะนำข้อปฏิบัติที่เป็นเครื่องกำจัดโทษทางกายกำจัดโทษทางวาจาเนี่ยนะว่าเมื่อไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผทะพาเนี่ยนะทำอย่างไรใจจะได้ไม่เป็นบาปเพราะว่าในโลกเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผทะพลาเนี่ย ถ้าหากว่าบุคคลไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยความชลาดเขาก็จะเป็นบาปเป็นกรรมทันทีบาปชนิดที่ว่าสา ม, มารถให้ผลนำเกิดได้ด้วยนอารมณ์ไหนบ้างในโลกนี้ที่ไม่สา ม, มารถให้ผลนำเกิดได้มีไหมอารมณ์ใดบ้างที่ไม่ก่อให้เกิดการทำผิดอกุศลกรรมาบดเลยมันเป็นเรื่องที่น่าน่าคิดอย่างหนึ่งว่าทำไมแมลงจึงกินใบไม้ ทำไมพวกนกมันจึงบินไปแสดงว่าที่นั้น น, นเนี่ยมีสัตว์ทำบาปในทุกขนทุกแห่งมีมีสัตว์ทำบาปเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อทุกขนทุกแห่งเราเนี่ยมีที่สัตว์ทำบาปอยู่จึงได้รับเสวยผลแห่งบาปอยู่นะในถิ่นทุกขนทุกแห่งไปเพราะฉะนั้นศีลก็เหมือนกันปาติโมกขสังวรศีลเนี่ยจึงมีอยู่ทุกขนทุกแห่งถ้าเป็นพระภิกษุเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าแผ่นดินแผ่นดินน้ํา ทุกคนทุกแห่งนี่จะมีศีลรองรับอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยว่างั้นเถอะอันถ้าหาว่าอุปมาศีลเหมือนแผ่นดินนี่จึงเป็นถ้อยความที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเพางั้นเป็นเป็นถ้อยคําที่ตรงจริงๆเพราะว่าถ้าหาว่ากุศลศีลเป็นต้นไม่สา ม, มารถอบรมได้ในทุกๆอารมณ์เนี่ยนะจะรองรับกุศลธรรมชั้นสูงต่อไปไม่ได้ทีนี้พระองค์ก็ทรงแสดงปาติโมคัสังวรก่อน หลังจากนั้นพระองค์ก็จะทรงแสดงอินทรีย์สังวรพระองค์จะแนะนําต่อไปว่าเธอจงเป็นผู้คุ้มครองทาวารในอินทรีย์ทั้งหลายนะมองเห็นรูปูได้ยินเสียงเป็นต้นเนี่ยฝึกอย่างไรใจจะไม่เป็นบาปอะ่ะที่โลภะโทสะโมหะจะไม่เกิดเมื่อได้รับอารมณ์ต่างๆแล้วก็ข้อต่อไปพระองค์ก็จะแนะนําในเรื่องของรู้จักประมาณในโภชนะ ซึ่งเรากําลังจะเรียนในประเภทศีลที่เรียกว่าปัจจยะสันนิสิตศีนะี่เพราะว่าถ้าหากว่าผู้ที่ไม่มีปัจจยสันนิสิตศีลที่จะรักษาอินทรีย์สังวรก็นับว่ายากเห็นไะหผู้ที่ไม่รู้จักประมาณในโภชนะไม่รู้จักพิจารณาโดยเยบคายในเรื่องของอาหารเป็นต้นแล้วก็ยากนักที่จะมีอินทรีย์สังวรนะเพราะว่า อินทรีสังวรจะสําเร็จได้ก็อาศัยศาสกะสัมปชัญญะนั้นศาสกะสัมปชัญญะเนี่ยปัจจะญสันนิสิตาศินเนี่ยก็เป็นประเภทศาธกะสัมปชัญญะด้วยเนี่ยนะซึ่งเกื้อกูลต่อการรักษาอินทรีย์สังวรมากนะในหน้า106นะที่เรียนต่อจากครั้งที่แล้วกล่าวถึงปัจจะญสันนิสิตาสินต่อไปว่า ส่วนปัจจยสันนิสิตสีนี้ที่ท่านกล่าวไว้ในลำดับแห่งอาชีวะปาริสุทธิสีนั้นอันใดเนี่ยนะถ้าเป็นข้อความในพระไตรปิฎกเนี่ยนะอาชีวะปาริสุทธิสีเนี่ยอยู่ในปาติโมกขสังวร อ, อยู่แล้วเนี่ยนะเพราะว่าปาติโมกส่วนหนึ่งก็คือบัญญัติเอาอาชีพไปเป็นปาติโมกนะถ้าเป็นพระภิกษุเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นคาระวะก็จะเน้นไปที่ว่าอาชีพที่เว้นจากการยัตุจริตและวจีทุจริตเนี่ยนะ เพิง่งทราบวินิจฉัยในปัจจะญสานิสิตาสินนั้นซึ่งปัจจะญสานิสิตาสินในวิสุทธิมรักษ์เนี่ยไม่เอาข้อความที่เต็มมาให้เราดูจะมีคำาอธิบายเลยถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถือว่าจำกันได้หมดแล้วว่าเราปฏิสังขายโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิยาวเทวะสิตาสะปฏิคาตายะอุณหสะปฏิคาตายะเนี่ยนะ ถือว่าจําได้แล้วพร้อมทั้งคําแปลเพราะฉะนั้นท่านจะ ม, มาที่บายอย่างเดียวว่าทุกคําเหล่านั้นนั่ะมีความหมายว่าอย่างไรเอบทว่าบทว่าเอามาจากไหนเนี่ยคำว่าเราเนี้เอามาจากไหนเนี่ยนะเขาถือว่าต้องจําได้กันทุกคนอยู่แล้ว น, นะซึ่งโดยสรุปถ้อยคําเหล่านั้นก็คือเราพิจารณาโดยแยกคายแล้วจึงใช้สอยจีวอนีเนี่ย น, นจีวอ น, นั้นเรานุ่งห่มแล้วเพียงเพื่อบําบัดความหนาวเพื่อบําบัดความร้อน เพื่อบำบัด ส, สัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายว่างั้นคือนี่กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้สอยจีวอนทีนี้ท่านก็จะทรงเคราะห์ว่าเมื่อใช้สอยจีวอนหรือนุ่งห่มเป็นต้นเนี่ยแต่ละคำที่ที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยควรพิจารณาอย่างไร เพราะว่าปฏิสังขาโยนิโสที่บอกว่าพิจารณาโดยถูกทางหรือโดยแยบคายไอ้คำว่าโดยแยบคายก็คือโดยถูกทางนั่นเองนะพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงใช้สอยจีวอนหรือที่เรียกว่าเครื่องนุ่งห่มเหล่านี้เนี่ยนะก็คือได้แก่การพิจารณาคือทราบแล้วโดยอุบายคือโดยถูกทางเนี่ยนะต้องมีอุบายในการพิจารณาเพรงั้น พิจารณาแล้วจึงใช้ใช้สอยแบบคนพิจารณาเพฟะะันคำว่าปฏิสังขาโยกับปัจเวคิตาวานี่นะพิจารณาแล้วปัจเวก็คือการพิจารณาแล้วกับคำว่าปฏิสังขาโยไม่ต่างกันจะใช้คำว่าปฏิสังขาโยก็ได้จะใช้คำว่าปัจเวก็ได้ใช้ได้แทนกันเพราะฉะนั้นปฏิสังขาโยนิโสก็เท่ากับปัจเวคิตาวา ปัจเจกแล้วก็ในที่นี้การปัจเจกที่ตรัสไว้โดยนัยว่าเพื่อป้องกันความหนาวดังนี้เป็นต้นเนี่ยนะคือพิจารณาแล้วจึงใช้สอยเครื่องนุ่งห่มเหล่านี้เพียงเพื่อบําบัดความหนาวเพื่อบําบัดความร้อนเพื่อบําบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์ด้วยขานเป็นต้นเนี่ยนะเพิ่งทราบว่าเชื่อว่าพิจารณาแล้วโดยถูกทาง นะหรือว่าพิจารณาแล้วโดยอุบายที่แยบคายว่าประโยชน์ของเครื่องนุ่งห่มเนี่ยนะที่นุ่งห่มเนี่ยใครเคยคิดมั่งว่านุ่งห่มทำไมเห็นไหมประโยชน์หลักๆเลยในการใช้สอยเนี่ยทำไมหน้าหนาเราจึงไปหาเสื้อกันหนาวมาใช้มันรู้โดยสัญชาตญาณใช่ไหมแต่ไม่ได้รู้โดยการใคร่ควรวญบ่อยๆเวลาจะใช่ใชไหมบางทีก็รู้เออช่วงนี้อากาศเย็นแล้วนะเอาแบบหนะ้าหนาวมานุ่งหน่อยในช่วงนี้อากาศร้อนหาผ้ายังไงนะค่อยเหมาะสมกับ อากาศแบบนี้ที่จริงมันรู้โดยอัตโนมัติแต่ว่าไม่ได้รู้ในลักษณะที่ใคร่ครวนแล้วเป็นกุศลศีลขึ้นเพราะไม่ได้ใคร่ครวนด้วยอํานาจของปัญญาอะไรเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะใคร่ครวนว่าเอ๊จะแต่งยังไงให้มันสวยและอุ่นด้วยสวยด้วยอุ่นด้วยเป็นต้นเนี่ยนะเพื่อที่จะสนองอโลภะซะส่วนใหญ่เพราะถือโดยนิมิตและอนุพยัญชนะในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะ ถามว่าทำไมพระผู้มีพระภาคจึงวางแนวการพิจารณาเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มทั้งหมดเอาไว้เพราะถ้าหากว่ามีการใคร่ครวญหรือพิจารณาเครื่องนุ่งห่มเนี่ยนะบ่อยๆมันจะต่อวิปัสสนาได้ไม่ยากนะักเพราะ ว, าวิปัสสนาก็คือการพิจารณาเหมือนกันไอปัจเจกอันนี้ก็เป็นชื่อของปัญญาเหมือนกันนะวางพื้นฐานในการเริ่มใคร่ครวญในเครื่องนุ่งห่มทุกชนิดเอาไว้ก่อน ทีนี้พอวางแล้วก็จะสามารถแยกแยะว่าแม้กระทั่งเครื่องนุ่งห่มของเราก็คืออารมณ์ทั้ง6นั่นเองใช่ไหมพอสงเคราะห์อย่างเช่นเสื้อผ้าก็คือเกี่ยวข้องกับทางตาเรียกว่าสีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเหล่านี้เนี่ยเป็นเป็นอะไรเป็นรูปซึ่งอาศัยหมาพูดนะเป็นอุตุสมุธฐานนะมีอุตุเป็นสมุธฐานแห่งสีทั้งหลายเหล่านี้อาสีทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเกี่ยวข้องเป็นอารมณปัจจัยของจักรคูวิญ ญ, ญาณ หลังที่จักครูวิญญาณเกิดขึ้นแล้วเราคิดอย่างไรกับผ้าทั้งหลายเหล่านั้นนะหรือว่าผ้าทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะเวลานุ่งห่มก็จะมีเสียงเป็นต้น บ, บางคนเนี่ยนะต้องมีอะไรแบบเสียงคำดังกุ้งกิ้งกุ้งกิงหน่อยอะไรเงี้ยนะเครื่องประดับแบบมีเสียงะนะเครื่องนุ่งห่มแบบที่มีเสียงนะนะบางองค์บางท่านก็เน้นสีสันของผ้าอย่างพิเศษบางคนก็เสื้อผ้าแบบต้องมีกลิ่นคําว่ารถก็คือรถแห่งการใช้สอยโพธพะ นะอันรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะเนี่ยนะมีอยู่บริบูรณ์ในเครื่องนุ่งห่มนั้นๆทถ้าหากว่ามีการพิจารณาโดยแยกคายต่อไปเนี่ยนะเรื่องวิปัสสนาจะไม่ยากนักถ้าหมั่นคข้ครวนแต่ถ้าไม่หมั่นคข้ครวนก็จะส่งเคราะห์ลงอารมณ์6เป็นต้นก็น้อยเพราะว่าในมหากุศลดวงที่หนึ่งเนี่ยนะบอกว่ามหากุศลดวงที่หนึ่งเนี่ยมีสีเป็นอารมณ์สีจากไหนจากกีวรเป็นต้นนั่นเอง มีเสียงเป็นอารมณ์เสียงจากไหนก็จากเครื่องนุ่งห่มอะ่ะมีสีเป็นอารมณ์มีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโพธาพาเสียงเหล่านี้มาจากไหนก็มาจากเครื่องนุ่งห่มเครื่องนุ่งห่มนั่นแหละให้รูปให้รู ป, ปารมณ์ให้สัทธารล์คันธารมรัศสารณ ม, ราารมแล้วก็โพธาภารลมถ้าข่ายครวรบ่อยๆเนี่ยนะอภิธรรมจะศึกษาไม่ยากนะคำว่าจีวอนอนไหน ก็ได้แก่ผ้าผื้นใดผื้นหนึ่งในบรรดาผ้าทั้งหลายมีผ้าอันตรวาศกเป็นต้นผ้าอันตรวาศกเนี่ยเป็นผ้านุ่งอห็นไหมนะแต่ก็ต้องนึกแล้วว่าภาพคนสมัยเมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะไม่ได้ใช้เสื้อผ้าชุดกางเกงแบบนี้ก็แน่นอนนะเพราะฉะนั้นเขาจะมีผ้านุ่งอ่คล้ายๆกับพวกผ้าเขาม้านะเขบอกว่าผ้านุ่งหรืออันตรวาศกก็คือผ้าขม้านั่นเองจนพานผ้าเขาม้าผ้าอะไรนั่นแหละเสร็จแล้วก็ ผ้านุ่งผ้าห่มทีนี้ยุคสมัยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทําให้แต่งให้มันเข้าสวดเข้าทรงเข้ายุคเข้าสมัยไปแต่ก็สมัยโบราณเขาใช้คําว่าจีวรคำว่าจีวรก็คือคลุ้งนุ่มห่มทั้งหมดนั่นแหละคําว่าปฏิเสวติเนี่ยนะที่แปลว่าเสบเสบในทีนี้ได้แก่การใช้สอยคือนุ่งหรือห่มเนี่ยนะผ้าที่สําหรับนุ่งห่มคําว่าจีวรก็คือผ้าทุกชนิดที่อาศัยนุ่งและ อาศัยห่มคาว่ายาวะเทวะ เ, นะเป็นคำพูดถึงข้อแน่นอนเกี่ยวกับการกําหนดขอบเขตของประโยช น, นยนะ์ประโยชน์ของเครื่องนุ่งหม่มผ้าที่เรามานุ่งมาหม่มด้วยว่าประโยชน์ในการใช้สอยจีวรของพโยคีก็มีเพียงนี้เท่านั้นประโยชน์นี้ก็คืออันใดเล่าคือเพื่อป้องกันความหนาวเป็นต้นเนี่ยนะ ประโยชน์ของการใช้สอยผ้าก็คือเพื่อบำบัดความหนาวบำบัดความร้อนบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุ้งลมแดดและสา์เลือดคลานทั้งหลายแล้วก็เพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายเพราะฉะนั้นเมฆกล่าวถึงว่าประโยชน์แน่นอนของการใช้สอยผ้าทุกชนิดก็เป็นลักษณะนี้นั่นเองอยู่ในอย่างใดอย่างหนึ่งในสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่าไม่ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ว่าไง เนี่ยคือประโยชน์ของการใช้ใช้สอยเครื่องนุ่งห่มทุกชนิดเนี่ยนะไม่เกินนี้ไปหรอกในบรรดาคนที่ใช้สอยทั้งหมดคําว่าความหนาวได้แก่ความหนาวอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นด้วยอํานาจความกําเริบแห่งธาตุภายในบ้างด้วยอํานาจความเปลี่ยนแปลงของฤดูภายนอกบ้างเนี่ยนะคือบางช่วงเนี่ยนะความหนาวเย็นมันเกิดขึ้นในร่างกายใช่ไหมก็อาศัยผ้าเนี่ยมา เป็นเครื่องนุ่งห่มได้บางครั้งไข้มันขึ้นอ่ะนะก็จะทําให้นา้เย็นผ้าก็จะช่วยได้เพราะฉะนั้นผ้าก็จะบัดความหนาวเหล่านี้ได้นะะอุตุภายนอกจากผ้าเนี่ยนะทำให้อุตุภายในเนี่ยทํางานดีขึ้นนะมันเกี่ยวข้องกันนะถ้าผู้ที่กําหนดรู้ไอ้เตโชธาต์มากๆเนี่ยนะก็น่าจะรู้ดีว่าทําไมผ้าจึงให้ความอบอุ่นกับร่างกายภ า, ายในได้นะ ท, ทั้งทที่ผ้าก็เป็นอุตุชลุบใช่ไหมพอมาห่มแล้วร่างกายเกิดความอบอุ่นขึ้นเห็นไหมในร่างกายมันมีเตโชธาใช่หมเพราะนั้นการใช้สอยผ้าเนี่ยก็จะบําบัดความหนาวเหล่านั้นที่เกิดจากภายในซึ่งบางคนก็เกิดจากทานอาหารเข้าไปผิดแล้วมันจะหนาวเย็นบางคนเนี่ยโกรธจนหนาวเคยได้ยินไนหะมมีโกรธจัดถึงที่สุดแล้วเนี่ยจากความร้อนจะเป็นความหนาวแทนตอนแรกมั น, มนเหงื่อมันออกก่อ โสมากมากแล้วก็ต่อไปก็เย็นหาผ้ามาห่มใหญ่เลยเหมือนกันอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะแต่ยังรู้จักกันเขาเล่าให้ฟั ง, ง เ, เพราะฉะนั้น<า>พ อ, นะะ พ, อพอความหนาวเกิดขึ้นอย่างงี้นะความหนาวภายในร่างกายก็จะทำให้ร่างกายนี้ไม่ค่อยดีละผ้านี้ก็จะเข้ามาให้ประโยชน์ คือเข้ามาให้เป็นประโยชน์แก่ร่างกายอันนี้คือนี่คือประโยชน์อย่างหนึ่งของของผ้าหรือที่ว่าความเปลี่ยนแปลงของฤดูในภายนอกนั่นะการใช้ผ้าเนี่ยเช่นหน้าหนาวของเราเนี่ยนะทางเหนือนี่ก็หนาวอถ้าหนาวก็ผ้านี่ก็จะเข้ามาช่วยได้เยอะแต่กรุงเทพเนี่ก็สบายหน่อยเพราะกรุงเทพหนาวปีไหนหนาวก็วแสดงว่าทางเหนือนี่หนักมากนะเพราะกรุงเทพนี่ไปหน้าไหนมันก็อุ่นเท่าเดิมหมดนะ ความเย็นจากภายนอกเนี่ยนะผ้าก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นคำว่าคำว่าเพื่อป้องกันก็คือเพื่อกําจัดไอความหนาวอันนี้ออกไปนะเพื่อบําบัดความหนาวหรือกําจัดความหนาวทั้งที่หนาวที่มันเกิดขึ้นในข้างในเลยหรือว่าความหนาวที่เกิดจากอุตุภายนอกเนี่ยนะผ้าที่เรานุ่งห่มจะ ก, กําจัดออกไปเคยคิดถึงประโยชน์อันนี้บ่อยไหม <c oughs> เราเคยคิดแบบนี้ไหมว่าเออสิ่งเหล่านี้ก็เป็นศีลนะเอา เออนี่ก็เป็นเป็นกุศลนะสิ่งเหล่านี้ก็รองรับกุศลธรรมชั้นสูงต่อไปนะถ้าเรามีการใคร่ครวนสิ่งเหล่านี้การใคร่ครวญการพิจารณาสิ่งเหล่านี้รองรับกุศลธรรมชั้นสูงกัะนไะหเราเห็นค่าแบบเน้นไหมถ้าเห็นค่านะต่อไปเราจะไข่ครวนกับทุกๆครั้งที่นุ่งห่มใช้สอยหรือถ้าหากว่าไม่ค่อยพิจารณาก็สมาทานเพื่อที่จะพิจารณาเพราะอะไรเพราะว่ามันรองรับกุศลธรรมชั้นสูงอะ ต่อไปคําว่าได้แก่เพื่อบรรเทาความหนาวนั้นโดยประการที่มันจะทําอาภาษให้เกิดขึ้นในร่างกายไม่ได้เนาะเพราะถ้านุ่งห่มแล้วนะถ้าปล่อยให้หนาวความหนาวเนี่ยสืบเนื่องอีกระยะหนึ่งอาภาษณ์เนี่ยคำว่าอาภาษก็คือเบียดเบียนไอ้ความเย็นเนี่ยเบียดเบียนในร่างกายไปเบียดเบียนในส่วนอื่นๆของร่างกายแล้วนะเบียดเบียนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อแล้วไปเบียดเบียนสุขภาพด้านอื่นๆต่อไปอีกแต่ทีนี้เมื่อนุ่งห่มไปแล้วก็จะไม่อาภาษแบบนั้นละ เนี่ยนะป้องกันอ า, าพาธป้องกันโรคภัยไข้เจ็บในหน้าหนึ่งร้อยแปดนะเพราะว่าเมื่อร่างกายถูกความหนาวเย็นเบียดเบีย น, เ, ยนเอาแล้วภพิกษุก็จกเป็นผู้มีจิตสัตว์สายไม่อาจที่จะตั้งใจมั่นโดยแยบขายได้ใช่ไหมถ้าหากว่าหนาวเย็นเนี่ยนะโอ้จะมาเนคขมะวิตกอะไรเนะี่ โอ้หนาวอย่างนี้อุตุเป็นสมุทฐานนะเนี่ยกระทบกับโพธพภะกระทบกับกายเกิดกายวิญญาณนี่หนาวแก้อย่างไรดีวะเนี่ยเราจะป่วยหรือเปล่าเนี่ยนะก็บอกว่าจิตก็สั่นสายจิตก็ฟุ้งซ่านนะเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงอนุญาตไว้ว่าภิกษุพึงใช้สอยจีวอนเพื่อป้องกันความหนาวหรือว่าเพื่อบําบัดความหนาวเพื่อกําจัดความหนาวอาพอได้จีวรนก็จะได้อะไรได้อะไรส ป, ปรายะ ถ้าเรานุ่งหอมจีวรไปแล้วเนี่ยจะทําให้ได้อุตุสปายะอุตุเนี่ยนะเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญมากต่อจิตที่เป็นกุศลลองเขาบอกว่าไม่ต้องกุศลชั้นสูงหรอกอากาศสักห้าองศาแล้วนะผ้าบางๆแล้วก็มานั่งอ่านพระไตรปิฎกดูอ่านรู้เรื่องดีหรือเปล่าถ้ารู้เรื่องดีนี่โอ้โหยอมรับว่าอันนี้ขันติสังวรเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะแต่ส่วนใหญ่จะยากมาก พันถ้าหากว่ามีผ้านุ่งห่มเนี่ยนะทำให้เตือนเดือดมาเนี่ยนะแม้กระทั่งอากาศหนาวเย็ยนนี่ก็อ่านหนังสือได้เ น, นเนี่ยนะปัจจ ต, ตูต่อชาวณนะที่เป็นกุศลคือในขณะที่มีเตโชธาตเป็นอารมณ์เนี่ยนะหรือมีความเย็นเป็นอารมณ์เนี่ยขณะนั้นเป็นอารมณะปัจจัยเลยแต่ถ้าหากว่า ขณะนั้นเนี่ยอยู่ในหน้าหนาวแต่ไม่ได้มีคิดถึงความหนาวความเย็ยนนะคิดเรื่องอื่นอยู่ความหนาวอันนั้นถือว่ามีเป็นประตูแก่ความคิดอันนั้นเห็นไหมถ้าหากว่าอยู่ในบรรยากาศแห่งความหนาวเนี่ยนะความคิดเราจะคิดอีกอย่างหนึ่งเลยนะถ้าหากว่าหนังสือเล่มเดียวเนี่ยลองอ่านหลายๆฤดูดูฝนกําลังตกก็เอาสูตรเนี่ยมาอ่าน พอแดดร้อนจัดก็เอาสูตรนี้มาอ่า น, นาเย็นก็เอาสูตรนี้มาอ่านนะสูตรเดียวน่ะแต่คนละเรื่องเหมือนกันนะความคิดของเรานี่คนละอย่างตอนที่สบายใจที่สุดเอาสูตรนี้มาอ่านก็อีกอย่างหนึ่งเห็นไหมตอนที่มีเรื่องกระทบกระเทือนใจเอามาอ่านก็อีกอย่างหนึ่งอะไรเปลี่ยนคําสอนเปลี่ยนไหมใจเรานี่มันเปลี่ยนเพราะจิตนี่มันแล้วแต่ปัจจัยนะ นะปัจจัยที่เป็นอุปนิสัยปัจจัยนี้มีความสําคัญมากความหนาวความเย็นเนี่ยนะทั้งที่บางทีก็ไม่ได้จเจริญไอเตโชธาตไม่ได้กําหนดมหาพูดนี้เป็นอารมณ์รอกอาจจะไปเจริญเกษหรือพิจารณานามธรรมอย่างอื่นๆไปแต่ว่าไอความหนาวเย็นเนี่ยมีอิทธิพลต่อจิตที่เป็นกุศลอันนั้นมากนั่นะนะอากาศร้อนๆลองเจรจางานดูสินี่นะคุยไม่ดีสักอย่างเลยนะมีใครพูดดีสักคนเลยนะ ประเทศอากาศมันร้อนจัดๆเนี่ยนะโอ้มีองค์ไหนเทศดีรอเพราะว่าใจมันไม่ดีตั้งแต่ต้นแล้ว